พุทโธสวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้หยุดพักผ่อนกันไปในช่วงวันเสาร์อาทิตย์หลายคนก็คงบอกว่าไม่ได้พักหรอกพยายามที่จะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเราอาจจะมีเวลาไม่มากในเรื่องของการปฏิบัติการที่จะเกิดความคล่องตัวมากขึ้น อยู่ที่ความเพียรของทุกท่านค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลานะคะที่ FM ฟเอร้ครอบครัวข่าวกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรายการนี้สรนนีสนทนาจะนําท่านไปพบกับการปฏิบัติธรรมกับพระมาร์คชาคาวโรวัดนาป่าพงลำลูกกาคลองสิบกันค่ะน้อมสักการะท่านค่ ะ, จะเจริญพรเวันใหม่นี้เราก็มาทําความเพียเพรเผากิเลสกันต่อจเจริญอาณาปานาสติ สั่งสมพุทธวจนะมาสแสวงหาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์ทุกคนพึงสแสวงหาคือสแสวงหาความไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายอีกต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันได้เลยเรามาทําความเพียรเผากิเลสด้วยการเจริญอาณาปานสติตามแบบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกสอนไว้ โดยพระองค์จัดว่าเมื่อเราไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามให้เรานั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ายาวออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้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 อนาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้เรารีบวางความคิดนั้นเสียเรียกว่าการละนันทิหรือการละความเพลินแล้วให้เรากลับมามีสติรละลึกรู้อยู่กับลมหายใจของเราสำหรับอาทิตย์นี้ก็จะนำพระสูตรเรื่องของมัสมีองค์8ซึ่งเป็นส่วนที่4ของ อรเยสัสสีมาอ่านให้ฟังกัน <c oughs> โดยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือหันทุกเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปประการนั่นเอง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำงานชอบการดำรงชีพชอบความพยายามชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบอันนี้เราเรียกว่าความจริงอันประเสริฐ คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดูกอนภิกษุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความรู้ในทุก์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกความรู้ในหนทาง เป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกอันใดนี้เราเรียกว่าความเห็นชอบภิกษุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาท ความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เราเรียกว่าความดำริชอบภิกษุทั้งหลายวาจาชอบเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกัน การเว้นจากการพูดหยาบการเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เราเรียกว่าวาจาชอบพิกษุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าพิกษุททั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ การเว้นจากการประพฤติผิดในการทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการงานชอบภิกษุทั้งหลายอาชีวะชอบเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายอาริยสาวกในศาสนานี้ละมิจฉาชีพเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาชีพนี้เราเรียกว่า อาชีวะชอบเดี๋ยวนี้ก็จะอ่านมัคมีองค์8ไว้ให้ฟัง5้าส่วนก่อนคือความเ็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบและอาชีวะชอบส่วนอีกสามองค์ที่เหลือก็จะอ่านให้ฟังในวันพรุ่งนี้ซึ่งอาริยมัคมีองค์8นี้คือความจริงอันประเสริฐ คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เลือแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นหากเราจะหาหนทางใดก็ตามที่จะเดินไปสู่ความดับทุกข์โดยประการทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้เรามาเจริญมัชมีองค์แนั่นเองโดยการให้เรามีศีลสมาธิปัญญาหรือย่อให้สั้นๆว่าให้มีให้มีความเจริญในสมถะ จิตนิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวและจะเิญในวิปัสสนาคือมันเห็นการเกิดดับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเดินไปสู่ความดับในแห่งกองทุกข์โดยประการต่า ง, งได้เออเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันอีกในสามองค์ที่เหลือวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ค่ะเรารู้รายละเอียดนะคะว่ามรรคในแต่ละองค์นั้นเป็นอย่างไรพรุ่งนี้มามีความรู้นี้เพิ่มเราก็คงจะได้เห็นนะคะว่า เรามีโอกาสที่จะปฏิบัติไปตามมักดังกล่าวนี้ให้ถึงการหลุดพ้นได้นมัส ก, การขอบพระคุณนะคะสำหรับรพระมาร์ชาควโรวันาปะพงลำลูกกาคลองสิทธิ์ค่ะ